ถึงพระองค์ไม่ได้บอกตรัสบอกตรงๆว่าเธอทั้งหลายก็ควรเช่นกับเราเธอทั้งหลายก็ควรเช่นกับพระปัญจวัคคีแต่การพูดอย่างนี้ยกย่องมาทั้งมากมายก็แปลว่าแม้พวกเธอก็ควรแสวงหาธรรมที่ประเสริฐอย่างนี้แหละควรแสวงหาพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายดับความเศร้าโศกดับความเศร้าหมองทั้งหลายอย่างนี้เช่นกับเราและปัญจวัคคีทีนี้มาดูว่าคนที่แสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐเป็นอย่างไร ในข้อ327พูดถึงอนาริยาเปเยสนะของบุคคลทั่วๆไปคือบุคคลทั่วไปสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะตัวเองเกิดแก่เจ็บป่วยตายเศร้าโศกเศร้าหมองก็ไปสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแก่ป่วยตายมีความเศร้าหมองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรดูความพิสูจน์ทั้งหลายการมคนห้าเหล่านี้ คุณะตัวนั้นอย่าแปลว่าแม้อันนี้สงผลกำไรนัไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นคุณะตัวนั้นแปลว่ารัดแปลว่ารัดรึงรัดตรึงเกาะติดเนี่ยนะแปลว่าเหมือนกาวเหมือนกับเครื่องผูกแล้วเครื่องผูกเนี่ยอันตะคุณังแปลว่าเครื่องผูกไส้เรียกว่าอันตะคุณังชั้นใดกามคุณเป็นที่ผูกจิตมี5ประการเหล่านี้กรร ม, มเนี่ยนะสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความผูกจิต5ประการเนี่ยคืออะไรบ้างโรค สวยๆเนี่ยนะที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุที่หน้าปรารถนาะหน้าใคร่หน้าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดเสียงที่พึงทราบชัดด้วยโสที่หน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดกลิ่นที่พึงรู้สึกได้ด้วยจมูกคือขานะ ซึ่งเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรสที่พึงรู้ได้ด้วยชิวหาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดโธพะสัมผัสทางกายทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยกายเนี่ยนะซึ่งเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดดูกันพิสูจนทั้งหลายกามมาคุณเครื่องผูกเป็นที่ตั้งแห่งความรักใข้พึงใจห้าประการเหล่านี้แลพวกสมณะพราหม์พวกใดพวกหนึ่งไฝ่ฝันลุ่มหลงติดใจ หมายความว่าฝันที่จะได้รูปสวยๆเสียงเพราะๆเกลิน่นหอมๆรสอรอ่ อ, รอยสัมผัสที่น่าปรารถนาะหรือลุ่มหลงอยู่ในรูปเสียงกลิน่นรสโพธิภพที่น่าปรารถนาะติดพันอยู่ในรูปเสียงกลิน่นรสโพธิภพที่น่าปรารถนาไม่เห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพที่น่าปรารถนาและไม่มีปัญญาวิจัยเลือกเฟ้นคิดจะนําตนออกจากรูปเสียงกลิน่นรสโพธิภพแปลว่าติดหนับแล้วก็ไม่มีปัญญาจะถอนตัวออกจาก รูปไม่มีปัญญาที่จะถอนตัวออกจากเสียงจากกลิ่นจากรสเลโพธพาทั้งหลายมีจิตใจหมกมุ่นครุ่นคิดแล้วก็ลุ่มหลงบริโภครูปด้วยฉันทะาคะเนี่ยนะก็คือใช้ตาบริเจริญตัณหาใช้หูเจริญอัตตวใช้ตาเจริญรูปปัตนหาใช้หูเจริ ญ, รร ญ, รปปรญสัทธะตัณหาใช้จมูกเจริญคันท่าตัณหาใช้ลิ้นเจริญราษฎตัณหาใช้กายเนี่ยเจริญ โพธพระตันหาแล้วก็ตันหาหธารมหที่ควรละคือตันหากายะห้าเนี่ยนะนก็มีปกติเนี่ยตันหาเป็นธรรมที่ควรละใช่ไหมเป็นปหาตปธรรมพวกนี้นันไปเจริญเขาสมณะพรามเหล่านั้นพวกนั้นนะบันเพิ่งทราบว่าเป็นพูดถึงความพินาศโกกมานใจบาปกระทมเอาได้ตามต้องการ นี่ก็เปรียบให้ฟังว่าสมัพราหมณ์พวกนั้นก็เหมือนบ่วงนั่นแหละเหมือนเนื้อติดบ่วงนั่นแหละนะดูก่อนพี่สุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าเนื้อป่าที่ติดบ่วงเนื้อป่าที่ติดบ่วงเนี่ยเรียกว่าบ่วงทับหรือว่าบ่วงนี่ผูกคอมั่งบ่วงนี่ผูกเท้ารักเท้าแบบว่าถ้ากระตุกแขกขาก็ขาดเนี่ยนะปกติคนเนี่ยรักมันสัตวรักมากไม่กระตุกถึงขาดแบบบ่วงที่ดักคอมั่งดัก ตามตัวบ้างดักที่ขาบ้างเสร็จแล้วก็นอนทับกองบ่วงนั่นแหละแปลว่าถูกบ่วงนี่มัดรัดรัดเรืง่งเรียบร้อยเบ็ดเร็จแล้วเพิ่งทราบว่าตัวไหนที่ติดบ่วงเนี่ยนะก็ตายคาบ่วงนะไม่งั้นก็ถึงความพินาศเสื่อมพินาศถูกนายพรานทําได้ตามต้องการเมื่อนายพรานเดินเข้ามากว่า น, นี้ไปไม่ได้นะนะก็มาฟังแล้วเข้าใจดีเว่ามาเคยติดบ่วงสัตว์เยอะเนี่ยนะติดบ่วงหลายตัวหนูเป็นต้นเนี่ยเคยติดบ่วง ติดบ่วงพังพรม้างติดบ่วงหนูบ้างเนี่ยนะเรียบหมดอะแต่นานไม่รอดรอกเนี่ยนะถูกเผาแน่ ก็บอกวันนี้ไปไหนไม่ได้ตามความปรารถนาฉันใดสมณพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่ใฝ่ฝันถึงรูปเสียงเกลื่อนรถโพธาพะทั้งหลายก็ฉันนั้นสมณพราหมณ์ที่ลุ่มหลงอยู่ในรูปเสียงเกลื่นรถโพธาพะทั้งหลายก็ฉันนั้นติดพันอยู่ในรูปเสียงเกลื่นรถโพธาพะทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่เห็นโทษในรูปเสียงเกลื่นรถโพธาพะทั้งหลายก็ฉันนั้นเนี่ยนะไม่มีปัญญาที่ปัจเจกไปพิจารณาเห็นภัย ทุกโทษของรูปเสียงเปลี่นรสที่จะฉุดตนถอนตนให้ออกจากรูปเสียงเกลี่ยนรสโพธาภะทั้งหลายที่บริโภคตันหาในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจหมกมุ่นอยู่ในรูปเสียงเลี่นรสโพธาภะทั้งหลายเหล่านั้นสมณะพราหม์เหล่านั้นก็เป็นผู้ถึงความเสื่อมความพินาศถูกมารใจบาปทำได้ตามความต้องการมันมารผู้มีบาปนาไปตกนรกก็ไปเนี่ยนะ ไปเกิดเป็นเปรอะก่อไปไปเกิดเป็นเดรัชานก่อไปไปเกิดเป็นมนุษย์จากคันสู่คันจากที่มืดสู่ที่มืดเนี่ยนะมาวันนั่งเอ้แล้วเราเราจากไหนสู่ไหนเนี่ยจะไปไหนเลิกฟังธรรมจบจะไปไหนกลับบ้านนะรู้ได้ยังไงเราไปถึงบ้านแล้วจะไปไหนต่อเนี่ยนะก็พันพันมาในที่สุดอ่ะนะไม่อยากพูดเลยนะวันนั้นอ่ะนะวันที่เรียกว่าโบกมือก็ไม่ขึ้นจะลาใครก็ไม่ได้เนะนี่ยนะเนี่ะก็เลยเสร็จแล้วไปไหนกันเนี่ย ท, ทิ้งรูปนี้แล้วไม่ถือเอารูปใหม่เลยอย่างเงี้ยเลยนะปัญหาว่าจากคันหนึ่งสู่คันหนึ่งเนี่ยนะก็เกิดไปฝันเห็นใครสักคนอย่างนั่นแหละแม่เราล่ะนะคือบางทีนะสมมตุตนะิเขามีนะอย่างตัวอย่างบอกว่าอคตินิมิตเนี่ยสมมติถ้าก่อนตายเรานึกถึงใครนะนั่นแหละว่าที่แม่ของเราละว่างั้นเธอ น, น, นะก็ดูว่าไปสู่คันคนนั้นเนี่ยแหละก็นึกถึงใครเขาไว้เอา นึกถึงพระเถรีอารหานว้เธอเนี่ยนะก็ะได้ไปดีบา้างนะไม่งั้นเนี่ยลำบากแน่ก็รู้นึกถึงใครก็ั่นแหละว่าที่ญาติของเราในอนาคตต่อไปเนี่ยนะถ้าเกิดฝันเห็นสวนดอกไม้เข้าเนี่ยนะคสวยเป็นอะไรดีผีเสื้อหรือพึ่งเอา้ามันก็อยู่แถวแถวนั้นนะ่ะเอา้าใครจะไปเกิดในคันอะไรแถวนั้นนะฝันว่าแมมแมแมอุ้ยเล่นน้ำสบายเย็น ฝันเล่นแต่น้ำโอ้ยกว้างใหญ่ไพศาลลึกกว่าจะไปไหนสัตว์น้ําจะไปไหนเสียใช่ไหมเห็นป่าเห็นเขาอยู่นั่น น, น, นะะถ้าบุญนําเกิดแล้วเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาไปอนะเจ้าที่เจ้า ท, ทางเป็นผีป่าผีเฝ้าต้นไม้ทเทวดากว่ากันไปนี่จะไปไหนกันเดียวคิดถึงบ้านเอา้าแล้วอยู่ในฐานะอะไรชาติหน้าถ้าบ้านเนี่ยนะะอยู่ที่ไหนฐานะอะไรผีเฝ้าบ้านนะเขาจะให้เขาเส้นสวงหรือจะเอาเป็นอะไรเนี่ย ทีนี้ถามว่าเอ้าอยู่จนอายุไขแล้วก็ไล่ที่แล้วก็นี้ทำไงดีอ้าวเป็นผีเฝ้าที่แล้วก็เข้าไล่ที่ออ ก, กจะไปอยู่ที่ไหนอันนั้นแล้วจิงจกตุกแกเป็นมดเป็นหนูเป็นงูเป็นปลวกเนี่ยนะก็อยู่ได้ทุกฐานะเนี่ยนะเพราะนั้นเพาะพันธุ์ขึ้นได้หมดขอให้ติดใจในรูปไว้ยเยอะๆเนี่ยนะเจริญรูปปัตนหาไว้เยอะๆก็จะไปไหนไม่พ้นตาร้องนะติดใจในเสียงไว้เ ย, ยอะๆก็ไม่พ้นหูติดใจในกลิน่นไว้เ ย, ยอะๆก็ไม่พ้นจมูกติดในรสมากๆก็ไม่พ้นจากการ มีลิ้นแล้วลิ้นเนี่ยเลี้ยงยากยากเลยนะเพอได้เปรี้ยวมันก็อยากได้เค็มอีกแล้วพราะได้เค็มมันก็อยากได้หวานเพราะได้หวานมันอยากได้ฝาดเนี่ยนะเพราได้ฝาดมันอยากได้ขมพรได้ขมปั๊บมันบอกต้องการเปรี้ยวอีะไรอย่างเงี้ะมันก็เลี้ยงยากยากเนี่ยนะแล้วที่ลิ้นนะมันมีมันมีอะไรนะมันมีกายยประสาทด้วยใช่ไหมมันต้องเปรี้ยวบวกเย็นนะอ่างเ้นอ่านต้องเปรี้ยวบวกอะไรนะเปรี้ยวบวกบางอย่างก็ต้องหวานบวกร้อนจริงจะถูกใจแล้วว่าแบบแล้วมันใกล้ต่อโพรงจมูกไหะ กลืนเข้ามันก็กลื น, ม, น, ลนมันก็กระทบไปถึงจมูกภาพแม่มันต้องแบบหวานอมเปรี้ยวเย็นแล้วหอมเนี่ยนะมันจะบวกกับอีกเนี่ยนะนะแล้วบอกแม่มันต้องกลืนง่ายๆหน่ยนะเนะี่ยโอ๊ยข้อแมเยอะเนะี่ยที่นี้บอกถ้าเราเลือกร้านด้วยนะเลือกสถานที่ด้วยเลือกคนเสิร์ฟให้ด้วยโอย้เรื่องยาวมากเลยนะนี่แหละมันจะไปนะ้าววาต์เนี่ยนะปกติชีวิตเราเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดอะไรมากเลยนะใช่ไหมอา้าวใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ตลอดมาเนี่ยนะ ทำไงดีเนาะการมารผู้มีบาปก็นําไปตามความปรารถนาเนี่ยนะนำไปไนายนะดูว่าระหว่างมารกับพระพุทธเจ้าใครจะนําสําเร็จเนี่ยนะจะเป็นสาวกของใครดีเนาะเนี่ยนะบอกอ ย, ยังไงเราก็ต้องพระพุทธเจ้าอยู่แล้วละใช่ไหมแต่เชื่อเธอถามจริงอวันหนึ่งที่ถึงพระพุทธเจ้ากี่ครั้งเนี่ยนะพุทังสรารนังคัชามินําหน้าตลอดเนี่ยนะ นเนี่ยฟังธรรมจบปั๊บพุทธังสร า, นางรา น, นังกัฉามิจากบ้านเนี่ยเจริญพุทธะพุทธานุสติธรรมานุสติว่าจะถึงบ้านอยู่บ้างก็เพื่อเจริญอนุสติออกจากบ้านเพื่อเจริญอนุสติไปไหนก็มีแต่อนุสติถ้าได้ขนาดนี้ก็นนก็อนุโมทนาด้วยนะแต่ถ้ายังไม่ได้ขนาดนี้ก็เจริญกรุณาให้ตัวเองไปบ้างนะเผื่อใจไว้บ้างว่ามีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะก็ลองดูว่าคือมันห้าสิบห้าิอันนัดีกระชั่วมันห้าสบห้าิเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเราก็มา พวกนี้มันวัดกันที่ความคิดทั้งนั้นอ่ะเราหลอกใจเราไม่ได้หรอกใจเรามันเป็นยังไงมันบอกตัวเองตามความเป็นจริงเพียงแต่ว่ามีข้อมูลมีความรู้ที่จะเช็คสภาพจิตเราได้ไห ม, ไมเพราะฉะนนตรวจสภาพรถก่อนที่จะไปต่อทะเบียนรถไหมก็จ ะ, จะตรวจสภาพรถก่อนนะนี้ตรวจสภาพจิตเนี่ยบอกได้เลยว่าต่อประกันได้อะไรก็ว่าต่อได้หรือต่อไม่ได้นะต่อสําเร็จหรือต่อไม่สําเร็จต่อจากพบหนึ่งไปสู่พบหนึ่งหรือต่อจากที่ไหนไปสู่ที่ไหนเนี่ยนะก็หวังว่าคงไม่เป็น เนื้อป่าที่นอนติดบ่วงแล้วก็นอนทับอยู่บนบ่วงแล้วก็ถูกบ่วงในสวมเอาไว้นี้ตรงกันข้ามอุปมาด้วยเนื้อสามอย่างจริงมันเนื้อแค่สองอย่างเขาก็พิมพ์เกินมาตัวหนึ่งจริงมันมีแค่สองอย่างะนะทีนี้ตรงกันข้ามสมณะพราหมณ์ที่เป็นอริยะปริยสนาที่สแสวงหาความพ้นจากทุกข์เนี่ยนะสมณะดูก่อนพิสูนทั้งหลาย สมณพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่ใยไม่ใ่ฝันไม่ลุ่มหลงไม่ติดพันเห็นโทษมีปัญญาที่จะคิดนําตนออกย่อมบริโภคกามคุณคือหมายคําว่าก็ใช้สอยเหมือนกันนี่แหละแต่ไม่ใ่ฝันในกามคุณไม่ลุ่มหลงในกามคุณไม่ติดพันอยู่ในกามคุณเห็นโทษของกามคุณมีปัญญาที่จะคิดนําตนออกจากกรรมเนี่ยนะเครื่องมัดคือกรรมทั้งหลายได้ สมณพราหม์พวกนั้นแหละบัณฑิตทราบว่าเป็นผู้ไม่ถึงความเสื่อมความพินาศไม่ถูกมารผู้ใจบาปกระทำได้ตามความต้องการมันมารทั้งหลายไม่ฉุดไปสู่ชาติชาราและมรณะเหมือนอย่างว่าเนื้อป่าที่ไม่ติดบ่วงนอนทับกองบ่วงเพิ่งทราบว่าเป็นสัตว์ไม่ถึงความเสื่อมความพินาศ ไม่ถูกนายพรานกระทําได้ตามความต้องการเมื่อพรานเดินเข้ามาก็ น, นี้ไปตามความปรารถนาเอาเกวองไม่ติดบ่วงเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ่วงเฉยๆพอนายพรา น, พานเดินมาตัวก็วิ่งหนีไปแล้วเนี่ยนะชันใดสมณะพราหมพวกใดพวกหนึ่งที่ไม่ใฝ่ฝันในรูปเสียงเกลื่นรถสัมผัสไม่ลุ่มหลงในรูปเสียงเกลื่อนรถและสัมผัสไม่ติดภายในรูปเสียงเกลื่อนรถสัมผัสเห็นโทษในรูปเสียงเกลื่อนรถสัมผัสมีปัญญาที่จะคิดนําตนออกจาก รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบริโภคกามมาคุณด้วยปัจเจกเนี่ยนะด้วยปัจเจกก็เช่นพิจารณาโดยเยียบคลายแล้วจึงใช้สอยปัจจัยเป็นต้นสมณะพราหม์พวกนั้นบันฑดตทราบว่าเป็นผู้ไม่ถึงความเสื่อมไม่ถึงความพินาศไม่ถูกมารผู้ใจบาปกระทำได้ตามความต้องการฉะนั้นเอ้ไม่ติดใจไม่ไม่ลุ่มหลงไม่ติดพันเห็นโทษมีปัญญานาออกเป็นยังไงก็มาดู วิธีจาร์เจริญสัมมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปว่าเหมือนอย่างว่าเนื้อป่าเมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่ย่อมเดินยืนนั่งนอนเบาใจเพราะพรานป่าหาไม่พบฉันใดพิสูจ ก, ก็ฉันนั้นสงัดจากกามสงัดจากากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุ ป, ปถมมชามีวิตกมีวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่พิกษุนี้เราเรียกว่าทํามาให้มืด ทำมารให้ไม่เห็นร่องรอยทําลายจักสุก ข, ของมานทําให้มานมองไม่เห็นเพราะอาศัยปฐมมชานเป็นบาศของการเจริญอนุปัสนาเพราะเห็นว่าปฐมมชานไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแล้วก็แปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะก็จะกว่าอาศัยปฐมมชานเป็นบาศแล้วก็เจริญอนุปัสนาทั้งหลายดูก่อนทิ่สูทั้งหลายยะ ยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจาร์สงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่ภิกษุนี้เรียกว่าทำมานให้มืดทำมานให้ไม่เห็นร่องรอยทำลายจากสุขของมานไม่ให้มานมองเห็นเ พ, ออ ร, เพราะเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌาน จเจริญอานุปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะพิจารณาเห็นว่าทุติยชาญไม่เที่ยงอันตัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแล้วก็แปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะทุติยชาญอันนี้เป็นนิเพทภาคิยะอยู่ในส่วนอยู่ในฝักฝ่ายที่จะชำรก่กิเลสเพราะฉะนั้นมารไม่รู้ทางมไม่รู้ว่าเออท่านคิดอะไรอ่างนั้น ดูการพิสษุนทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนา ม, มากายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขพิกษุนี้เราเรียกว่าทำมารให้มืดทำมารให้ไม่เห็นร่องรอยทำลายจากักษุของมารไม่ให้มารมองเห็นรอย เพราะอะไรเพราะอาศัยตาติยะฌานเนี่ยนะชำนาญในการเข้าชํานาญในการนึกชํานาญในการตั้งอยู่ชํานาญในการออกและก็ชํานาญในการพิจารณาทั้งโดยสมถะและโดยวิปัสนาพิจารณาตาติยะฌานเหล่านั้นแหละว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นต้องอาศัยวัตถุและอารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะ อาศัยปรุงปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปลวนไปเป็นธรรมดามันจึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากตติยฌานเป็นนิเพทะภาคิยธรรมเนี่นนะดูกาพิสูจน์ทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุบรรลุจตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัโทมณัตก่อนๆได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ภิกษุนี้เราเรียกว่าทำมานให้มืดทำมานให้ไม่เห็นร่องรอยทำลายจากักษุของมานไม่ให้มานมองเห็นรอยเนี่ยนะอันนี้ก็อาศัยจตุทถฌานเนี่ยอาศัยจตุทถฌานเป็นบาทในการเจริญวิปัสสนาพิจารณาจตุทถฌานทั้งหลายโดยความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรพลันไปนั่นเองเนี่ยนะว่าปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจาก จัตุธชานดูความพิสูจน์ทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งพิกษุเข้าอากาศสานันจายตนะชานว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาดับปฏิค้าสัญญาไม่มนสิการนานัตตะสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู่พิกษุนี้เรียกว่าได้ทำมารให้มืดไม่มีร่องรอยทำลายจักสุ ข, ของมารมารไม่สามารถที่จะมองเห็นก็คืออาศัยอากาสานันจายตนะเจริญ เจริญวิปัสนาและเพื่อตรัสรู้เนี่ยนะผู้ที่ได้ปฐมฌานทุติยฌ า, านตติยฌ า, านจตุตฌานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นบาตรเจริญวิปัสนาตรัสรู้อริยสัจพวกนี้เรียกว่าปัญญาวิมุตต์เนี่ยนะพวกหลุดพ้นด้วยปัญญา น, นะปัญญาวิมุตต์ส่วนผู้ที่ได้อากาสานายยัญญาตนะฌานเป็นบาตรเจริญวิปัสนาจนได้บรรลุพวกนี้เรียกว่าพวกเจโตวิมุตต์อันนะ เจโตวิมุตต์มีระดับประเภทอากาสาเนจัยยตนาเป็นบาทแล้วบรรลุมัดผลพวกนี้เป็นเจโตวิมุตต์หรืออุปโตภาคาวิมุตต์หลุดพ้นโดยส่วนสองหลุดพ้นจากอกุศลด้วยฌานด้วยรูปฌานหลุดพ้นจากรูปรูปทั้งหมดด้วยอรูปเนี่ยนะคำว่าหลุดพ้นจากรูปด้วยอรูปอันนี้เป็น1 2. หลุดพ้นจากรูปหลุดพ้นจากอรูปด้วยอริยมรรคอันนี้เป็นอย่างที่สอง เว่าอุพโตภาควิมุตอ น, นะอันดับแรกหลุดพ้นจากรูปทั้งหลายด้วยอรูปหลุดพ้นจากนามทั้งหลายด้วยอริยมรรคเนี่ยนะครเกว่าหลุดพ้นโดยส่วนสองหลุดพ้นโดยส่วนสองก็ระดับอากาสานัญญายาตนะบ้างระดับวิญญานัญญายาตนะบ้างระดับอากินจัญญายาตนะบ้างระดับเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้างแล้วก็เป็นพระอนาคามี ที่ออกจากนิโรธสมาบัติเจริญวิปั ส, สนาบรรลุบ้างเขามีหลายระดับเนี่ยนะอุปโตภาคาวิมุตติเนี่ยมีอยู่หลายประเภทด้วยกันเนี่ยนะฟังเอาบุญไปก่อนไม่ต้องไปหนักใจทรงจำไว้หรอกเนี่ยนะฟังได้บุญแล้วทุกครั้งที่ฟังกันนะคิดอะไรมากพ็คิดมากก็จำไม่ได้เนี่ยนะดูการพิสูุ์ทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุล่วง หมายว่าก้าพ้นข้ามพ้นอากาสารนันจายตนะฌานเสียโดยประการทั้งปวงเข้าถึงวิญญาณนันจายตนะฌานวิญญาณมานสิการอยู่ว่าวิญญาณไม่มีที่สุดอยู่เนี่ยนะพิสูจน์นี้เรียกว่าทำมารให้มืดทำมารให้ไม่เห็นร่องรอยทําลายจากสู่ของมารมารไม่สามารถจะมองเห็นร่องรอยของ ภิกษุที่เข้าวิญญาณัญจาทตนะฌานออกจากวิญญาณัญจาทตนะฌานเจริญสมถะเออเจริญวิปัสนาเจริญอนุปัสนาปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในวัตฏะนี้มานบอกว่างงไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้เขาไปไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะเคยไหมบางทีเราไปนะปะเดินตามใครสักคนหนึ่งไปไปม า, มาเอา้าหายไปไหนแลนะ้วเนี่ยนะยุ่งไปหมดเลยกันนี้เงาเลยกันนี่ง่วงเลยนะ กมากเคยไปเที่ยวอยู่ครั้งหนึงโอ้ยไปกับญาติไปตั้งหลายคนไปมาไปมาเราก็ดูเด้อเด้อดญาติหายหมดร้องไห้เลยกันนมัรู้จะไปไหนเนี่ยนะจะไปกลับบ้านเองก็มึดมิดมื ด, มดตื่นเลยเนี่ยโอ้ยแล้วก็ตั้งห้าหกกิโลเนี่ยมันผ่านป่าและป่า น, นั้นเขาก็หลอกไว้อีกว่ามีผีดุมากนะะมีคนจับคนเมาไปฆ่าอีกโอ้ยหลอกเราไว้สารพัดญาติก็หลงกลับบ้านก็นไม่ได้โอ้ยร้องไห้ดีกว่าเนี่ยนะก็อย่างนั้นนะพะในพิสูจนที่เจริญได้ขนาดนี้เราทําให้มาร้องไห้เลยนะ ดูการพิสษจน์ทงหลายยังมีอีกข้อหนึ่งคือพิสษจน์ล่วงวิญญาณจายยตนะฌานเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าถึงอากินจัญญายตนะฌานว่าอะไรน้อยหนึ่งไม่มีอยู่ ภิสูุนี้เรียกว่าทำมานให้มืดทำมานให้ไม่เห็นร่องรอยทำลายจักสุ ข, ของมานไม่ให้มานสามารถมองเห็นร่องรอยได้ น, นะก็อาศัยอากินจัญญายตนะฌานเป็นบาทแล้วก็เจริญอนุปัสนาปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำนัดหนอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะ ก็ทําที่สุดแห่งทุกได้ดูการพิสูจนทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุนเก้าล่วงอากินจัญญายตนะฌานเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะอยู่ภิกษุนี้เราเรียกว่าทำมารให้มืดทำมานให้ไม่เห็นร่องรอยทําลายจากักษุของมานไม่มันไม่สามารถจะมองเห็นก็คือได้อาศัยเนวะสัญญานาสัญญายตนะเป็นบาตและเจริญนิพพานา จเจริญอนุปัสนาเจ็ดได้ตรัสรู้เป็นอุปโตภาควิมุตตพวกอาลาล า, อาลาลาดาบทจะธาตุอยู่ฟังธรรมจะได้อุปโตภาควิมุตตระดับอากินจัญญายตนะถ้าอุทกาดาบทรามบุตรอยู่จะได้อุปโตภาควิมุตตระดับเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอารพ่าอาหารที่ได้อนุปุภาวิหารสมาบัติ9เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกพาหัน ร, ระดับนี้จะเป็นพวกอนุปุภาวิหารสมาบัติ9สุดท้ายว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลาย ยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุล่วงพ้นเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธแปลว่าเข้านิโรธสมาบัติดับสัญญาดับเวทนาดับเคือว่าดับรูปด้วยอรูปแล้วก็ดับนามด้วยอํานาจของนิโรธสมาบัติเพราะเห็นอริยสัจ เห็นตัวนั้นเห็นอริยสัจด้วยปัญญาปัญญาระดับโสดาปฏิมักสกทาคามิมักอนาคามิมักอรหัตตมักสิ้นอาสวะทั้งสีด้วยอรหัตตมักตรัสรู้อรหัตผลภิกษุนี้เรียกว่าทำมานให้มืดทำมานให้ไม่เห็นร่องรอยทำลายจากักษุของมานไม่ให้มามองเห็นเป็นผู้ข้ามพ้นตันหาเครื่องข้องในโลกข้ามพ้นตันหาที่พาอะไรตันหาเนี่ยพาจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งจาก ที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งเป็นไปในภพสกําำเนิด4ี่คติหก็ข้ามพ้นตัดขาดตันหาเสียได้เพราะฉะนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เบาใจสบายใจเพราะมารมองไม่เห็นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพี่สู่ทั้งหลายเธอทั้งหลายควรเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นธรรมที่เรียกว่า พ, พ้นจากความเกิดความแก่ความป่วยความตายเป็นธรรมที่ดับความโศกเป็นธรรมที่ดับความ เศร้ามองโดยประการทั้งปวงเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นะ การแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐและไม่ประเสริฐโดยพิสดารจบลงภิสูุน์เหล่านั้นก็ชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าขาเนี่ยนะก็เข้าใจเลยนะเพราะฉะนั้นก็เข้ามาก็พอจะรู้เรื่องจากสูตรนี้บ้างอนะคนอื่นก็ควนขวายถ้าไม่เข้าใจก็อ่านครั้งแรกไม่เข้าใจอีกก็อ่านอีกสองครั้งสาครั้งก็อ่านเมื่อไหร่ก็จนกว่าจะเข้าใจเนี่ยนะถ้าไม่เข้าใจแล้วจะทํำยังไงอาคือเมื่อมันไม่เข้าถึงใจแล้วจะทํำยังไงเลิกเลย กันะก็ไม่เลิกหรอกนีก็่จะเริ่นไปสักวันหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกตรัสรู้ธรรมใดเป็นที่ดับชาติชราและมรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาตขอบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้ร่วมกระทำเนี่ยนะจงเป็นไปเพื่อให้ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตโดยทั่วกัน น, นะวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้